ธรรมเทศนาแผ่นที่47ดลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่18กรกฎาคม2555มีชื่อเรื่องว่าวางแผนชีวิตของตนตได้แจกของพ่อป่าแต่และครั้งหลวงพ่อกล่าเรื่อง เ อ, อการแจกซ่องพ่อป่าให้แก่คณะทศไทยญาติโยมลูกหลานได้ฟังเหมือนกันนะลูกพ่อบอกวานนะ่ามียายแก่คนหนึ่ง อ, อก็คงจะอยู่ในชุมชนหมู่บ้านนะหมู่บ้านก็มีวัดวัดกับบ้านต้องของคู่กันฮนะสมภารนะก็สมภาร น, นักก่อสร้างเดี็กก็สร้างโบสถ์เดี็กก็สร้างศาลาเด็กก็สร้างหอะระฆังเด็กก็สร้างลัววัด อ, อ แล้วก็สร้างถนนสร้างแต่ละอย่างเนี่ก็ต้องมีการสอกแจกซองผ้าป่าให้ชาวบ้านเลยแจกซองผ้าป่ากันแต่นี้มียายคนหนึ่งคนนี่เป็นคนที่มีเงินมากกว่าเพื่อนในหมู่บ้านแต่บางคนขี้เหนียวผันไอ้คนขี้ตะหนีนะีนะ่ไเนี่ยเรื่องทําบุญเนอะเท่าไรเท่ากันนะไม่อยากจะทําแต่เขไม่รู้จะทํำยังไงเมื่อเขาแจกซองผ้าป่ามาให้แล้วก็ใส่เข้าไปใส่แบบเสียไม่ได้เนละบางทีก็ น้อยบากมากบ้างแต่ว่าความเกลียดในใจนี่ก็ไม่พอใจนะเรื่องสองพระป่าเห็นสองพระป่าทําไมสร้างบ่อยนักเดี๋ยวก็สร้างหูเดี๋ยวก็สร้า ง, น, างนี่ไม่รู้จะจบจกสิ้นสมภารเนี่ยสมภารก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าวัดมันก็ต้องสร้างพอต่อมายายยายแก่คนนั้นก็เลยตายพอตายแล้วคนคนที่หวงสมบัติคนที่ห่วงสมบัติเ ถึงจะตายเป็นผีแล้วก็ต้องมาดกดปวกวนเวียนมามาหาลูกหลานแม่แตนมาหาลูกหลานมาเยี่ยมเยินลูกหลานเด็กเขาเข้าไปสิงคนนั้นเด็กเข็ไปสิงคนนี้สิงลูกสิงหลานเหงือนกันนะผีสิ ง, งเหมือนกันเหมือนกับผีตาเจ็๊เข้ามาสิงคนอย่างนั้นอนะ่ะตอนี้ก็ทายกนี่ก็จแจกซองผ้าป่าเป็นประจำอย่างที่วานกนเลยหอบซองผ้าป่าลงไป ه, เออขามีอะไรกันอนะผี e สิงคนกว่าที่ไหนชายยกกเลยหอบสองผ้าป่าขึ้นไปพอขึ้นไปผีใครลนี่ผ e ยผ e ยยียายยายมาสิงไม่สิงลูกสาวเนี่ยเอเขามาสิงสู้ไม่ทำอย่างนั้นสู้ทำอย่างนั้นสู้ทํางนี้นเนี่ยเอก็ยังมาบงการอย่างเง้ยมาสิงลูกสาวแล้วแต่นี้พอเหลือบมาเห็นสองผ้าป่าเนี่ยมนะันอะไรนั่นคือ เขาไปซองผ้าป่าเะ๋มาแจกเพื่อสร้างไอ้หอละครังทางยายโอ๊ยกูเกียดกูชังจริงๆไอ้ไอ้องผ้าป่าเนี่ยเงนเออกูไม่กูไม่เอาแล้วกูหนีแล้วผีก็เลยหนีออกจากคนเหมือนเงินเถอะเออออกจากร่างเขามันออกจากร่างของลูกสาวเออลูกสาวก็ลุกขึ้นมาอะไรโอ้ยยายเข้ามาสิงเจ้า โอ้ oh, แต่นี้เขาก็รู้แล้ววันวิน จ, จัดจุดอ่อนของยายตั้งแต่บัดนั้นมาวันพอยายเขามาสิงลูกสิงหลานใครเนี่ยเขาจะเอาซองผ้าป่ามาเลยเงั้นเถอะพอยายเห็นซองผ้าป่าเท่านั้นวิ่งหัวซุกหัวศูนหนีแลยเงี้ยเรื่องซองผ้าป่าไม่ใช่ไม่ใช่กลัวแต่คนเนเออขนาดผีก็ยังกลัวเหมือนกันเถอะกลัวซองผ้าป่าแต่วันนี้ไม่ต้องกลัววันนี้นะ่ะเอาแจกคนละสองละสอง แ ต, แต่ว่าใครได้แล้วไม่ต้องเอานะอใครได้แล้วไม่ต้องเอาเขาแจกเขาก่อนแล้วไม่ต้องเอาแต่ว่าใครอยากจะทําบุญกับสมเด็จพระสังฆราชก็อเอาแจกคนละสองกันแจกสองผ้าป่าใจนะเดีเ๋ยวหลวพ่อจะพูดอะไรให้ฟังตามศรัทธานะเอไม่ต้องหนักไม่ต้องหนักใจแต่เขาก็เขียนไปสองละพันเขาว่างันนะ <c oughs> เขาอว่าไม่ต้องหนักใจแต่เขาให้สองละพันถ้าใครได้แล้วข่าว ก, ก่อนไม่ต้องเอาภาพปากลุ่มเก่านั่นแหละภาพปาสมเด็จพระสังฆราชเปิดดูข้างในก็ได้นะมีซองอยู่ข้างในใครอยากจะทำบุญเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือใครสุขภาพไม่ดีนะในเจ็บไข้ได้ป่วยแสดงว่า ไม่ได้เคยไม่เคยทําบุญกับยาไม่เคยทําบุญกับเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยแ่ะคราวเนี่ยทาทําบุญกับเครื่องมือแพทย์นะถ้าใครต้องการจะเอาไปแจกสํานักงานและอะไรก็ยังมีนด้เน่ยยังเป็นกระตักอยู่เนี่ยยังอยู่สองหอเนี่ยอ้าวฝัวง น, นัตสเนนะหลวงพ่อจะพูดถึงเมื่อวานวันก่อนหลวงพ่อไปที่ไหนบ้าง คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานก็คงอยากจะฟังวันหลวงพ่อไปไหนเมื่อวานวันที่ส6บหหลวงพ่อไปกราบคาวะหลวงปู่จามไปถวายผ้าผ้านุ่งผ้าอังสะพอหลวงปู่อายุอย่างที่ว่านหลวงพ่อพูดน่ะท่านบางทีก็เยี่ยวลาดอุจจลระลาดผู้สูงอายุต้องได้ใช้ผ้าเปลืองพอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อถวาย ท่านปีละสองครั้งเหมือนกันนะแอบสวงจีวรเพื่อถวายท่านท่านได้ได้ใช้จากนั้นก็ได้ถือขันถือดอกไม้ทูบเทียนก่อนเข้าพรรษาหลวงพ่อจะไปคารวะครูบาอาจารย์ที่รักเคารพนับถือถึงจะท่านจะร่วงรับดับขันไปแล้วก็เราก็ไปบูชาพระเจดีย์ของท่านหรือรูปของท่านแต่หลวงปู่จามหลวงพ่อก็ได้ยก ขันดอกไม้ถูกเทียนไปคารวะถ้าจะพูดไปก็คือมุนมดน้ําดําหัวนั่นแหละก่อนที่เข้าพรรษาหลวงพ่อก็ได้ไปเอาดอกไม้ถูกเทียนไปกะคารวะทำวัดภาษาทางพระกรรมฐานหรือว่าทำวัดแต่ถ้าภาษาภาคกลางทําวัดคือเืิญทาวัดเช้าทําวัดเย็นแต่ถ้าว่าเป็นภ า, ภาษาทางครูบาอาจารย์กรรมฐานหอวไปทำวัดครูบาอาจารย์ไปทําวัดก็แปลว่าเอไปคารวะ ดกไม้ทูบเทียนเตะกราบไปไหว้ไปขอพร น, นะในหลวงพ่อก็ได้ไปขอพรแล้วก็ไปกราบคารวะหลวงปู่จามจากนั้นก็ไปหลวงปู่ล่าผู่จ้าก่อที่เป็นปุพการีเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อนะที่สอนธรรมะให้หลวงพ่อท่านแรกหนะลวงพ่อเคยเป็นเนนอยู่ที่นั่นนะบวชเป็นเนนกับหลวงปู่ล่าได้ไปคารวะกราบคารวะหลวงปู่ล่า จากนั้นก็ได้มาวางพวงมาลาที่เจดีย์ของคุณแม่เพื่อระลึกถึงคุณแม่ชีแก้วที่หลวงพ่อไปสร้างเจดีย์จนั้นก็ได้คารวะเจดีย์หลวงปู่จามที่มีพระธาตุเยอะๆนะดอกไม้ทูบเทียนบูชากราบไหวพ้พระธาตุจากนั้นก็ได้มากราบหลวงปู่แบรนวัดดอยธรรมะเจดีย์กับรารวะท่านจึงได้กลับมา กลับมาแบบทางพิภาคสาหัวหนาสารท่านสุมิตรที่ย้ายไปจากอุดรไปอยู่ที่สารสว่างก่อนนิมนต์ขึ้นไปที่นั่นหลวงพ่อคิดว่าขึ้นไปแป๊บเดียวคงจะได้กลับลงมาที่ในได้พนักงานหัวหน้าสารพิภาคษาทุกท่านก็เต็มอยู่ในนั่นเลยนิมนต์หลวงพ่อรับ ผ้าอาบน้ำฝนถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็สมาทานศีลจากนั้นก็ได้ให้หลวงพ่อแสดงธรรมหลวงพ่อก็เลยได้แสดงธรรมและกล่าวสมโภชนิยะกถาที่ศาลอำเภอสว่างแดนดินเนี่ยพอสมควรแล้วก็หลวงพ่อได้กล่าวได้พูดเกี่ยวกับเนี่ยไม่อีกไม่นานก็จะเป็นวันเข้าพรรษาอย่างวันนี้แหละ คณะชาติไทยญาติโยมมาวัดวันนี้เป็นวันพระเดือนเจ็ดดับวันเพ็ญหน้าเนี่ยก็เป็นวันเดือนเพ็ญแล้วก็นาคหยู่ถึงซ้ายมือของหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็มาพร้อมที่จะบวชที่จะบวชเป็นพระในพรรษาเป็นนาค เ, เตรียมที่จะบวชละ่ะในพรรษาที่จะถึงเนี้ยวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่สิบแปด ก, กรกดา 5/5 เป็นวันพระใหญ่เดือนเจดดับและก็เป็นวันหน่เพนหน้าเนี่ยเดือนแปดเพนเนี่ยก็เป็นวันเข้าพรรษาจากนี้ไปอีกสิบห้าวันสิบห้าสิบหกวันก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าพรรษาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเนี่ยหลวงพ่ออยากจะบอกกล่าวหรือตักเตือนญาติโยมทุกทกท่าน ในพรรษาที่จะถึงเนี่ยเรื่องเราจะให้มันผ่านไปผ่านไปโดยที่เราไม่ได้คิดโดยไม่ได้ตั้งหลักเหมือนกับวันคืนเดือนปีผ่านไปอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าว่าพวกเราคิดวันคืนเดือนปีผ่านไปก็จริงอยู่แต่ชีวิตของพวกเรามันไม่ได้อยู่กับที่นะวันนี้แก่กว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้แก่กว่าวันนี้มันแก่ไปเรื่อย อายุสังขารของพวกเราแต่พวกเราไม่ได้สังเกตเพราะมันแก่ไปทีละน้อยละน้อยเหมือนกับนาฬิกาเดือนเป็นวินาทีอย่างนั้นอพอหกสิบวินาทีก็เป็นหนึ่งนาทีหกสิบนาทีก็เป็นหนึ่งชั่วโมงหกสิบชั่วโมงนะมงั่นแ่นะมันก็นไล่ไปเรื่อยเป็นวันเป็นปีเป็นเดือนไปเรื่อยเพราะนั้นชีวิตของเรามันไหลไปเรื่อยเราจะไปอยู่นิ่งเฉย โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นในพันศาที่จะถึงเนี่ยเราจะทำตนอย่างไรถึงจริงจะเหมาะสมแต่ถ้าพวกเราไม่ได้คิดตายแล้วก็สูญตายแล้วก็ตายผ่านๆไปอันนั้นมันก็ไม่ต้องได้คิดอะไรก็าตายแล้วสูญ แต่ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านว่าตายแล้วไม่สูญเนี่ยจุดนี้แหละว่าตายแล้วไม่สูญเราจะต้องพิสูจน์อย่างไรว่าตายแล้วไม่สูญพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงตาต่างๆท่านก็สงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่ท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติตั้งใจภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าพาดําเนิน พระพระไตรเจ้าพาดําเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าพาดําเนินก็คือพระองค์ออกไปทรงพนวดอยู่ในป่าศึกษาค้นคว้าอยู่หปีแต่สูตรสําเร็จวันสูตรสําเร็จคือคือพระองค์นั่งอยู่ที่โคลนต้นโพนั่งสมาธิจิตใจพระย์ไทยของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอ ร, รวมสงบพระองค์ละลึกชาติผลหลังได้นี่แหละจุดนี้แหละจุดที่พุทธบริษัท ของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทคำว่าบริษัทก็คืออะไรก็คือผู้ที่มีหุ้นส่วนผู้ที่เคารพนับถือเข้ามาในบริษัทอย่างบริษัทต่างๆที่อยู่ในโลกนี่แหละาคาว่าบริษัทคำนี้ก็คล้ายๆเว่าเป็นกลุ่มคนในกลุ่มนั้นอันนี้ก็เหมือนกันพุทธบริษัทก็คือเป็นกลุ่มของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนาบอกกล่าวอย่างไร พวกเราได้ฟังทมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเคารพนับถือเรื่อมใสใช่พระพุทธเจ้านี่พูดถูกในเมื่อพูดถูกแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วเกิดนะแนววิธีการที่สูตรเนี่ยต้องทำอย่างนี้จึงจะรู้ถ้าคิดเอาเฉยเฉยอย่าไปคิดเถอะคิดอะไรก็ไม่รู้หรอกถ้าทำอย่างนี้จะรู้ทาอย่างไรพระองค์บอกว่านั่งขัดสมาธิ อย่างที่พระพุทธลูกนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเมื่อจิตใจรวมสงบนิ่งจะรู้ได้ด้วยตนเองพอนิ่องร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันหลวงพ่อเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับบ้านแต่บ้านมันกระดุกกระดิกไม่เป็นถ้าเปรียบเทียบกับรถเนี่ยเออจะเข้ากฎเกณฑ์กว่าเพราะคนขับ ขึ้นไปขับรถขับรถไปรถก็ออกไปได้วิ่งไปได้ทั้งที่มันเป็นเหล็กมันเป็นธาตุสี่อยู่ในนั้นมีเหล็กมีธาตุไฟมีน้ำอยู่ในนั้นแต่คนขับขึ้นไปมันก็ไปเพราะเหตุไรเพราะว่าคนขึ้นไปขับมันนี่แหละอันนี้ร่างกายของเราก็ลักษณะอย่างนั้นคนขึ้นมาอยู่ในสมอง ความรู้เนี่ยอยู่ในสมองแล้วก็สั่งร่างกายร่างกายก็ปฏิบัติตามสมองสั่ ง, งนี่แหละแต่พระพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญตัวสมองตัวสมองแต่ตัวผู้รห์ตัวที่มาใช้สมองตัวนั้นแหละคือใจใจตัวนั้นแหะพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาจากักหกปีจึงได้รู้เหตุรู้ผลว่าความเป็นมาอย่างไรท่านเว่า ออมนโนปุพังขมาธรรมามนโามนเสรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจก็คืออะไรตัวผู้รู้ตัวนึกคิดนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นแหละคือใจตัวนั้นแหะสําคัญยิ่งในหลักของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตัวนั้นแหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก่อนได้นำํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะมาประพฤติปฏิบัติเวลาบวชเข้ามาแล้วท่านก็ไป อยู่ป่าดงพงไพ่ยอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านมาปฏิบัติอยู่ในป่ารงพงไพ่มานั่งภาวนาถ้าท่านจิตสงบนิ่งลงไปแล้วท่านจะรู้ได้โดยตนเองเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทนะครับพุทธบริษัทคือบริษัทของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังทำคําสอนของท่านแล้วก็นํามากันกรองไตรตรองและปฏิบัติ ในเมื่อปฏิบัติพวกเราจะรู้ได้เมื่อเรารู้ได้แล้วทีนี้เออรู้เราตายแล้วเกิดแน่เมื่อตายแล้วเกิดเนี่ยเราจะทวนทําอย่างไรในชีวิตของเราเราก็มาคิดถึงในพรรษานี้เราควรทําอย่างไรเราจะกินเหล้าเมายาเที่ยวสัมทะเลเทเมาไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์อย่างเกา่าที่ที่ผ่านผ่านมาใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมถ้าว่าผู้ที่ มีความคิดก็ไม่น่าจะทำเพราะอายุของเราแก่ไปเรื่อยๆอย่างที่ลงพ่อได้พูดได้กล่าวเราควรจะตั้งต้นตั้งตัวตั้งตนใหม่จะทำอย่างไรเพราะอายุของเราขนาดนี้แล้วอีกกี่ปีกี่เดือนข้างหน้ า, าก็จะถึงจุดจบของชีวิตแล้วทุกคนจะต้องถึงจุดจบร่างกายนี้ต้องแตกตายสลายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นเราควรทาอย่างไรในพรรานีา้ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้ พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปแต่ในพรรษานี่เราควรจะทําจนตนอย่างไรทุกวันเราจะไหว้พระกราบกราบพระอรหังสวะค่ะอ่ะอรหังสวาข า, า, า, าโตสุปฏิปัโนเอกราบไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดก่อนตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนอันนี้ก็คือเป็นพุทธบริษัทส่วนหนึ่งอมากกว่านั้นทางไหว้พระด้วยเอ รักษาศีลด้วยข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสสามเดือนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่กล่าวมุสาไม่ดื่มสุราในพรรษานี้อันนี้ก็คือพศบริษัท อ, อ, อีกเหมือนกันแต่มากมากกว่า น, นั้นข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระไม่ให้ขาดในพรรษานี้งสามสี่สบสองออในพรรษาเพียงสิบสองวัน เราจะรักษาสีุโบสถรักษาสีแปดได้ไหมเนีอันนี้เราก็ควรจะมีกฎเกณฑ์สําหรับตนเองอีกเหมือนกันแล้วก็มีหลายอย่างอบายจะมุกดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่ น, ลนการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดค้านทําการงานเนอันนี้คืออบา ย, ยมุกเราจะพยายามเราจะตัดในสิ่งที่ไม่จําเป็น อย่างดื่มสุรานข้าพเจ้าจะงดในพรรษาข้าพเจ้าจะงดบุหรี่ในพรรษาเข้าพเจ้าจะใส่บาตทุกวันในพรรษาหและข้าพเจ้าจะตักบาตรทุกวันทุกวันพระและทุกวันอาทิตย์หรือว่าข้าพเจ้าจะในพรรษานี้เอาเถอะข้าพเจ้าห่างเหินจากพ่อแม่ที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไปกราบพ่อกราบแม่ทุกวันอาทิตย์ในพรรษา อแต่ออกพรรษาแล้วก็เออเอาตามการแต่ในพรรษานี้เข้าไปเจ้าจะรับแต่พ่อแม่ก็คงจะแปลกใจเหมือนกันอา้าวลูกสาวลูกชายของเราทําไมเป็นบ้าเป็นบออะไรทําไมมาอย่างนี้เราก็พูดให้ท่านฟังสอกตาก่อน ร, รู้สึกว่าห่างเหินนะคุณพ่อคุณแม่นะในพรรษานี้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าจะต้องมากราบพ่อแม่ทุกวันอาทิตย์นะพ่อแม่กโอ้ใจดีอกดีใจกับลูกของเรา ที่เลี้ยงมาก็ไม่เสียเที่ยวเสียทียังลำเลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อของแม่ได้อยู่เนาะพ่อแม่ก็จะได้ภาคภูมิใจกับลูกของตอนเองอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือล้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีแต่ทิ้งไหนที่พอจะตัดออกก็ตัดออกซะไปตีกอ๊อปปบไปเที่ยวกินเหล้ากับหมูฉันสันกับหมูทุกวันที่วันเราหยุดนันนันก็เป็นห่างๆไว้ก่อนเพราะว่าในพรรษานี้ ไม่ควรจะปล่อยปะละเลยอย่างนั้นจนเกินไปสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดนะเน่ควรจะวางแผนวางแปนวางแผนชีวิตของเราในพรรษานี้พวกเราควรจะทำอย่างไรการสร้างคุณงามความดีก็คงจะมีแปนมีแผนเหมือนกันนะแอ่หางว่าคนเขาทำความชั่วเขาอยากจะไปป้นไปฆ่าไปคดไปโกงนะ เขาก็ต้องทําแผนกัน ท, กทุกนาที <Yeah. S 1> เราควรจะทำไงเราจะเข้าไปยังไงเราจะประกบยังไงเราจะทำยังไงความชัว่วเขาก็ยังมีแผนนะอันนี้เราจะเอาชนะใจของตนเองเอาชนะความที่ไม่ดีของเราทั้งชีวิตเนี่ยเราก็ควรจะมีแผนเหมือนกันนะวางแผนชีวิตของเราหลวงพ่อว่าจากนี้ไป15วันนะการวางแผนคงจะสำเร็จได้ถ้าไม่แผนยืดยาวจนเกินไปนะ ถ้าไม่ยื้สักขยื้กับกิเลสภายในใจของเราจนเกินไปนะถ้าเราขยื้กับกิเลสของเราเกินไปหนะึ่งวางเท่าไหร่มื่อกลบลบล้างอยู่กิเลสก็ล้างเอาล้างเอาแล้วก็วางแผนใหม่เขียนเศคารานแล้วก็กิเลสก็มาลบเอากิเลสลบไม่ใช่เอามือลบนะมันเอาตีนลบอีกต่างหากนะะ เ, เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอผู้วางแผนต้องคิดให้ดีเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยเอาอย่างนี้ละ่ะ ในพรรษานี้เข้าไปเจ้าจงงดเหล่าข้าไปเจ้าจงงดบุรีเข้าไปเจ้าจงงดอวายะมกเข้าไปเจ้าจงรักษาศีลทุกวันพระนในเมื่อสัตว์มีความสัตย์จริงกับตนเองแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั้นอถ้าว่าใจของเรามันมีมันลงช่องเดียวนะเมื่อลงช่องเดียวเราก็มั่นใจแล้ะเออเอาอย่างนี้แต่ถ้าว่าเราไม่มั่นใจเราจะตั้งสัตว์ก็ไม่ได้เอาเถ้าเอเมื่อมีโอกาสเรายังค่อยทํา ถ้ามีโอกาสนะเอาไปมากับทะเลทรายกิเลสกระดึงไปเรื่อยผลี่สุดก็ไม่ได้ทําคุณงามความดีอย่างเก่ามันสู้กิเลสไม่ได้ะแต่ถ้าเราเอาทำเข้าไปสัจจะอธิษฐานเอาความมั่นคงเข้าว่านต้องเป็นอย่างนี้ในพรรษานี้ออพวกเราก็จะได้เดินตามแนวแถวสัจจะของเราสัจจะบา ร, รมีสัมปันโนอิติปิโสปะาวาพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ท่านก็มีสัจจะ ความจริงจังและจริงใจของท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพุทธบริษัทยพุทธบริษัทอย่างที่หลวงพ่อได้ย้ําเลยคืออะไรบริษัททั้งหลายห้างร้านทั้งหลายเขามีบริษัทจํากัดอันนี้พุทธเจ้าเหมือนกันพุทธบริษัทจํากัดเนี่ยคือมามหาชนเหมือนกันนะพวกเราเนี่ยได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเคารพนับถือเรื่อมใส่เราจรึงได้ปฏิบัติตนอย่างนี้ เมื่อปฏิบัติตนแล้วเราได้ความทุกข์ไหมเสียใจไหมทุกข์ไหมหลวงพ่อปฏิบัติมานแต่ในใจของหลวงพ่อมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีจนถึงอายุหกสิบแปดปีปีนี้แนหะหลวงพ่อเสียใจไหมที่ได้มาอยู่ในพระพุทธศาสนาได้เป็นหลวงพ่อหลวงตาหลวงพ่อไม่เคยเสียใจเลยแต่หลวงพ่อเสียใจม่ช่วงที่เป็นพระน้อยพระหนุ่มเป็นเนรน้อยเนหนุ่มที่ได้บวช ใช่หลวงพ่อเป็นสมภารเป็นหัวหน้าแล้วกับภาคภูมิใจเลยสิในเป็นหัวหน้าแล้วแต่หลวงพ่อกับภาคภูมิใจมาตลอดตั้งแต่เป็นเนนน้อยจะเป็นครูบา น, นึกย้อนหลังทีไรหลวงพ่อกับภาคภูมิใจเออเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครเราก็ไม่ได้รั่งแก้ไขเราก็ไม่ทาให้ไครเดือดร้อนเราก็จะบัตดตนมาแในรักษาศีลภาวนามาจนถึงป่านนี้เ อ, อเราก็ไม่ได้เสียใจว่าทําไมเราจะไม่ทําจุดนั้น เหมือนโลกของเขาโลกของเขามีความสุขหาเงินำํำทรัพย์สมบัติมีครอบมีครัวเราไม่มีกับเขานะเราเสียใจมาภาคภูมิใจต่างหาก น, ะนี่แหละอันนี้คือเราคิดดีแล้วเราตั้งใจดีแล้วในเมื่อมาถึงจุดนี้เราก็พอใจมีความสุขใจพอขนาดได้พออีกไม่กี่วันข้างหน้านเราจะเป็นอะไรต่อไปตอแบบง่ายงายเราจะต้องเป็นกระดูกเนะท่านั้นเอง พอทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นกระดูกนเราควรทําตนอย่างไรทําปฏิบัติกายวายจาจใจทําใจอย่างไรในถึงจุดนั้นนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านอันนี้คือหลวงพ่อยกตลวงพ่อเป็นตัวอย่างให้แก่พวกเราเพื่อการศึกษาแต่พวกเราจะนําตนประพฤติปฏิบัติอย่างไรอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราอีกเหมือนกันแต่ถึงยังไงหลวงพ่อมีจะบอกว่า ขอร้องเรือว่าพูดแนะนำพุทธบริษัทลุกศิษย์ลุกหาควรอย่าลืมตนลืมตัวมากจนเกินไปเพราะชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนตายแล้วไม่สูญอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ไปพิสูจนที่โคนต้นโพแล้วและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่ท่านไปภาวนาอยู่ปา่าโรงพงไพยแต่และเล่มแต่และธรรมเทศนาท่านจะแนะนาสั่งสอน บอกว่าไม่ตายแล้วไม่ศูนย์นะตายแล้วเกิดนะสิ่งที่ให้เกิดก็คือใจคือมนโนปุพังอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมนโนปุพังขมาธรรมามนโนเศรษฐานเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนั่นแหละตัวใจนั่นแหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นพวกเราที่มารักษาศีลมาไหว้พระสวดมนต์ประกอบคุณงามความดีกันนี่แหละเพื่อจะให้ใจตรงนี้แหละ มีคุณงามความดีเมื่อใจมีคุณงามความดีแล้วจะไปเกิดในภพภูมิใดใจตรงนั้นจะจะมีแต่ความผาสุกทั้งหมดเพราะใจมีบุญกุศลพาไปถ้าว่าบาปอากุศลพาไปมันจะไปทางต่านะมันจะไปทางต่าทางชั่วช้าเสียหายเพราะเหตุอะไรทำไมจึงรู้เพราะพระติจ้าท่านตรัสรู้อย่างทีวานพอถึงเที่ยงคืนในวันเดือนหกเพนเอ จุตูปปาตญ า, านการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทางหลายเป็นมาอย่างไรทำไมยังมาเกิดมาเกิดด้วยอะไรตายไปตายไปแล้วไปที่ไหนหพระพุทธองค์ดูเออดูดวงวิญญาณ แ, แต่ละดวงวิญญาณแต่ละคนดูแต่ละคนองค์พระองค์ก็รู้เลยโอ้คนที่เกิดมาพบนี้ชาตินี้เขารวยเขามีเงินเขามีปัญญา มีบริวารเพราะอเนกสงของเขาในอดีตชาติเขาทำอย่างนั้นอย่าง้อย่างนั้น เ, เขาจึงรวยจะเป็นอย่างนี้เอาทใํใไมคนให้หูหนวกตาบอดจนอีกต่างหากเพราะอะไรโอ้เพราะเขาได้ทำกรรมสิ่งที่มันไม่ดีไว้ในอดีตชาติเขาทำอย่างนั้นกรรมตนมาให้ผลเขาในเดี๋ยวนี้แต่เอาเถอะเขากรรมดีของเขาก็มีอยู่แต่เขาพ้นจากกรรมมาแล้ว เขาก็จะได้มีความสุขความเจริญเป็นใหญ่นะเหมือนกับนักเลงหัวไม้บางคนเขามีเงินคําทรัพย์สมบัติเอาเงินฝากไว้ในธนาคารมรดกของเขาแต่เขาไปฆ่าคนเขา้าเขาก็ติดคุกพอติดคุกแล้วจะไปดูถูกเขาว่าไอ้ขี้คุกตลอดไม่ได้นะพอมันพ้นจากคุกมามันอาจจะรวยกว่าเราก็ได้เพราะมรดกพ่อแม่ของเขามันมีอยู่พอออกจากคุกมาแล้วเขาก็รวยได้รับมรดก อรวยกว่าพวกเราอีกแต่ในขณะที่เขาทํากรรมชั่วเน่ยกรรมชั่วจะต้องนําเขาไปเข้าคุกซะก่อนเอออันนี้ก็เหมือนกันสัตว์ที่ไรฉานบางตัวน่ยเขาทํากรรมดีไว้อยู่แต่ว่าบางช่วงชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเขาทํากรรมชั่วพอกรรมชั่วหรือไปตกนรกพอตกนรกขึ้นมามาเกิดเป็นหมาอย่างเอเราจะไปดูดถูกหมาทีเดียวก็ไม่ได้นะเพอเพอหมามันจะดีกว่าเราก็ไม่รู้นะกรรมของกรรม การกระทำของเขาในอดีตแต่ในช่วงนี้กรรมความชั่วของเขาให้ผลเขากเกิดเป็นหมาพระพุทธองค์รู้หมดเลยท่านดูโอแต่และวิญญาณเสรุปแล้วคือกรรมคือการกระทำใครทำดีนคนกรรมดีก็จะต้องให้ผลใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะนำให้ผลกับคนคนนั้นกับดวงวิญญาณนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากรรมชั่วอย่าทำเช่ดีกว่า เพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลเมื่อภายหลังอะกะตังบุกะตังเสยโยที่หลวงพ่อยกแล้วยกอีกกรรมชั่วอย่าทําเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลติดตามเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าควรจะศึกษาให้ทําแต่กรรมดีถ้าคากรรมดีแล้วกรรมดีจะให้ผล เกิดมาพบนายชาติหน้าก็จะเป็นคนร่ารวยมีสติปัญญาเฉียบแหลมกรลุ น, ลนแล้วแต่บุญกุศลพามาเกิดเพราะนั้นท่านให้ใครทากรรมดีกรรมดีจะพามาเกิดในสิ่งที่ดีไปเกิดในที่เหมาะสมไปเกิดติดตามตามที่ตัวเองต้องการแต่ทาว่าคนที่ทำกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีจะกรรมชั่วนะจะพาไปเกิดเหมือนกับคนคนที่มีเงิน คนมีเงินคือคือคนมีบุญคนมีบุญจะไปที่ไหนก็ได้เพราะมีเงินในกระเป๋า เ, เวเ้นเสียแตสิ่งตรงที่เขาห้ามคือตรงที่ไม่ให้ไปจริงๆก็ได้คนมีบุญไปที่ไหนไปที่ไหนไปได้ก็ไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกแต่ไปเท่าที่จะไปได้ตามพลังบุญของตนเองเ อ, อจะไปนิพพานไปได้ดูแต่มันทุนยังไม่ถึง อ, อจะไปพรหมโลกมันก็ไปไม่ได้เพราะทุนเรายังไม่ถึง ทุนเราถึงแต่มนุษย์หรือสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งมันก็ไปถึงได้ชั้นนั้นไม่ใช่ว่าเราได้เงินบาทหนึ่งจะไปอเมริกาทั่วทั้งภาคไม่ใช่อย่างนั้นนะเราก็จะอาจจะไปถึงแถวแถวหมู่บ้านนี่ย น, นะพอได้กินอะไรขนมก๊อบแกรบเขาพอเงินมันน้อยถ้าเงินมากหน่อยเออเอาไปถึงเมืองลาวเมืองคาเมร์ทามากนยมากกว่านั้นอีกออกไปถึงแถวฮ่องกงแถวญี่ปุ่นฮะ แต่ว่ามีมากจริงๆเนะะไปที่ไหนก็ได้ซื้อเครื่องบินเลยไงนี่แหละไปกดเอาที่ไหนก็ได้เพราะอะไรเพราะคนมีเงินนี้ก็เหมือนกันคนมีบุญกัลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นบุญคือความสุขบุญคือความเจริญบุญคืออำนวยความสะดวกให้แก่ดวงวิญญาณเพราะนั้นพวกเราควรจะสั่งสมบุญกุศลปุญญานิปัลโลกัตมิงปฏิทถาโหนติปานิหนัง บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้านี่แหละควรสั่งสมบุญการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ถ้าการสั่งสมบาปนำทุกมาให้เพราะนั้นทกกับสุขมันอยู่ในใจของพวกเราเพราะนั้นพวกขอให้พวกเราทุกๆท่านให้สั่งแต่สั่งสมแต่บุญแต่กุศลเข้าสู่จิตใจนี่แหละในพรรษาที่จะถึงนี้แหมพวกเราเอาอยัางไง จะใส่บาตรทุกวันหลวงพ่อเคยพูดใส่บาตรทุกวันโอ้ใส่บาตรไม่ได้หรอกเพราะเรานอนตื่นสายไม่มีพระมาบินทบาตอีกต่างหากนี่แหละหลวงพ่อวิธีการมีเยอะแยะถ้าพวกเราฉลาดในการทําบุญสมมติอา้าวเราจะทําบุญกับหลวงปู่วัดโพ อ, อายุท่านด้วยทำบุญกับหลวงปู่จามอย่างที่หลวงพ่อพูดอายุร้อยปีเนี่ยแล้วจะใส่บาตรทุกวันเออหลวงปู่จามท่านชั้นอะไร วันนี้เราชอบอะไรเราชอบก๋วยเตี๋ยวเออเอาเอาก๋วยเตี๋ยวใส่บาดหลวงปู่จามนะใส่หลวงปู่วัดโพนะเราก็เอาเงินเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เราก็เอายัดใส่หลังหมูหมากาไก่ออมซับไว้ท่านจะกินวันนี้ถวายนมท่านกรองหนึ่งเราก็เอาเอานมกรองหนึ่งใส่เข้าไป วันนี้เราจะถวายน้ําขวดหนึ่งเราเอา น, น้ําใส่เข้าไปขวดหนึ่งพอออกพรรษาแล้วเอา้าเงินจำนวนนี้เงินใส่บาตรเงินตักบาตรเงินถวายปัตตหารหลวงปู่เอาไปถวายท่านเราก็ได้ใส่บาตรทุกวันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปใส่บาตรแต่ว่าเราใส่บาตรที่บ้านเราน้อมําลึกถึงจากนั้นท่านก็ได้ใช้เงินก้อนนั้นแหะ บำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปถ้าเราฉลาดในการทําบุญเราที่ไหนอยู่ที่ไหนเราก็ได้ทําบุญทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่ฉลาดแค่อย่างเดียวพีจิติตนิทีทเหนียวขนาดไปเห็นพระพุทธเจ้าแท้แท้อย่างจิตตนิพระพุทธเจ้าอีต่างหากนะไม่ทําบุญอีต่างหากเราจะได้บุญได้กุศลได้อย่างไรนี่ก็ขอให้พวกเราคณะสัตยาญาิโยมทุกๆท่ทานนะและก็พร้อมกนันในพรรษาเนี่ยไม่ใช่แต่ให้ทานรักษาศีลให้ภาวนาด้วยนะ ให้นั่งภาวนาด้วยในพรรษานี่ทุกวันข้าไม่เอาอะไรหรอกในพรรษานข้าพระเจ้าจะนั่งภาวนาะ24ชั่วโมงเนะ่ยข้าพระเจ้าจะนั่งภาวนาะให้ได้หนึ่งชั่วโมงเอาละจะเป็นจะตายอย่างไรข้าพระเจ้าจะนั่งให้ได้หนึ่งชั่วโมงตอนหนึ่งวันนะตั้งนาฬิกาไว้เลยพอได้เวลาจะ ก, กางวันก็ได้กางคืนก็ได้เวลาไหนาก็ได้แต่ให้ได้หนึ่งชั่วโมงในหนึ่งวัน24ชั่วโมงนี่แหละ อันนี้ก็ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลอั น, นยิ่งใหญ่ถ้ามากกว่านั้นข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ให้มันคิดออกข้างนอกเลยถ้ามันคิดก็พยายามเอาให้เต็มที่ไม่ให้มันเผลอเวลานั่งขัดสมาธิเสร็จลแล้วกําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโทพุทโทพุทโทไม่ให้เผลอเลยฮ อ, อถ้ามันเผลอเอาข้าพเจ้าจะทดลองนั่งภาวนานในเปิสานจะนองนับดูสิ หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้า3ามหายใจออก4ีนับถึงร้อยพอถึงร้อยกลับมานับหนึ่งม่อีกถึงร้อยนับหนึ่งม่อีกหนึ่งวะจนถึงชั่วโมงไงไม่เผลอเอออแปลว่าสมาธิของเราดีแล้วคําว่าเผลอนั้นคืออะไรมันเผลอเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองถ้ามันเผลอมันจะเบอร์เบอร์สักหน่อยแล้วก็มันจะหายใจเข้าเป็นเลขขี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ เข้าขี้ออกคู่เข้าขี้ออกคู่จนถึงร้อยนะถ้ามันจะเผลอมันจะเข้าคู่ออกขี้ได้ถึงเนี่ยมันเผลอแหละเนี่ยถ้ามันเผลอบ่อยๆไม่เป็นผลดีเเนะพราะฉะนั้นในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาหนึ่งชั่วโมงจะไม่ให้มันเผลอเลยได้ไหมฮนะถึงชั่วโมงเนะี่ยนี่แหละถ้าว่าใครทําได้อย่างนี้โอ้โหเป็นบุญกุศลมหาศาลเลยเท่นีนะนะ่ยิ่งกว่าอะไรอีกเท่นี่ยเออ ถ้าเป็นเงินเกิเป็นร้อยล้านพันล้านน่ะถ้าทําได้อย่างนั้นจะรู้ได้ด้วยตนเองอีกต่างหากว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จะฝังหลกักฝังราักฐานแน่นไว้ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ฝังที่อื่นนะฝังราักฐานนะฝังไว้ที่ใจของเราทุกทุกทันใจของเราเนี่ยโอ้โหจริงทําคําสอนของพระพุทธเจ้าออกไปจากตัวนี้จริงจริงการเกิดการตายตายแล้วเกิดตา ย, ตา ย, ตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีอยู่ที่นี่จริงจริง มันเชื่อในใจนะไม่ใช่เชื่อที่อื่นเชื่อพระพุทธศาสนาอยู่ในใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะครับนักทาญาติโยมทุกคนวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาตั้งแต่หลวงพ่อไปกราบพระวะคคูบายการย์เพื่ออะไรก็คือบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราควรจะแสดงความกตันญูกตวเวที่ตายอย่างไรต่อผู้มีอุปการ ะ, ระคุณท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากเราหรอก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 พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายอย่างที่ลงพ่อไปกราบคารวะเจดีย์ของหลวงปู่ล่าเนี่ยนเนีนะเราในฐานะลูกลูกศิษย์ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนมีแต่ไปกราบไปไหว้ขอพรอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เป็นตัวอย่างของลูกของหลานต่อไปภายภาคหน้าแตถ้าว่าเราไม่รู้จกักกระท่งพอ่อกระทงแม่ครูบาอาจารย์แล้ว จะเป็นยังไงพระพุทธศาสนาจะดำรงทรงาศาสนาไปได้นานเท่าไหรเนี่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาท่านไปกราบพระเจดีหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันอายุมากๆท่านก็ไปบ่อยมากเลยโค้งสุดท้ายที่ท่านจะละสังขารพอไปกราบแต่ละครั้งเนี่ยท่านไปกลา้าด้วยความสนิทใจจากนั้นมาท่านกับปนมมือลำเลึกถึงหลวงปู่มั่นท่านทําเพื่ออะไร ก็ทําเพื่อเป็นตัวอย่างของผูกของหลานต่อไปภายภาคหน้าเกิดใหญขึ้นมาอย่าลืมเนอ้ออย่าลืมครูบาอาจารย์เนอ้อทั้งอาจารย์ทั้งโลกครูบาอาจารย์ทั้งโลกและทางธรรมท่านมีคุณูปการสําหรับพวกเราทุกๆคนเนอ้ออันนี้แหละเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไปจะหาดูได้ยากนะพอใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จักใครใครต่อใครฮะนั่นเป็นนั่นขอให้พวกเราทุกท่าน ที่หลวงพ่อพูดได้ฟังได้ยินได้ศึกษานี่คือเป็นแนวการศึกษาสำหรับพวกเรานะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พอ